4. สังคหิตะวาระวาระว่าด้วยจัดเข้ากองอาบัติ 1. ปราชิกกันคำถามคำตอบจัดกองอาบัตในปราชิกกันปราชิกสิกขาบทที่หนึ่งถามอาบัตของภิกษุผู้เสดเมถุนธรรมบรรดากองอาบัตเจ็ดกอง จัดเข้ากองอาบัตเท่าไหร่ตอบอาบัตของภิกษุผู้เสพเมถุนธรรมบรรดากองอาบัตเจดกองจัดเข้ากองอาบัตส3กองคือ 1. กองอาบัตปาราชิก 2. ก อ, องอาบัตทุลใจสามกองอาบัตทุกกฏละ เจ็ดเสขียะกันคำถามคำตอบจัดกองอาบัตเสขียกันละเจ็ดปาทุกวัตรละสิกขาบทที่สิบห้าถาม อาบัตของภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อทายอุจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำบรรดากองอาบัตเจ็ดกองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไหร่ตอบอาบัตของภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อทายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำบรรดากองอาบัตเจ็ดกองจัดเข้ากองอาบัตหนึ่งกองคือกองอาบัตทุกกฎ สังคหิตวาระที่สจบ